มันมีความรู้สึกในในเรื่องต่างๆของโลกสนิวตัตอันนี้แบบนี้เรื่องราวของโลกสันนิวัตอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีก็มีเป็นสิ่งที่น่ายินร้ายก็มีมันมันไม่ใช่ว่ามันเป็นอันเดียวกัน บันนี้จิตใจของบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมนี่มันก็เลยหมุนไปตามลักษณะอาการของโลกโลกเขาสมมติกันว่าอย่างไรจิตใจมันก็หมุนไปตามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์ ธรรมดาจิตใจนี่เมื่อมีความยินดีมากก็เป็นทุกข์มีความยินร้ายมากก็เป็นทุกข์เพราะเมื่อมีความยินดีมากหากไม่ได้สมหวังในสิ่งที่ตนยินดีนั่นมันก็เป็นทุกข์นี่เนอะอันยินร้ายนี่มันไม่มีสุขสบายอะไรเ่ยมีแต่ทุกข์ เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกก็จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้ฝึกจิตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปให้มันเข้มแข็งเมื่อมันตั้งมั่นเข้มแข็งอยู่ในกุศลคุณงามความดีแล้วอย่างนี้มันก็จะไม่วันไว้ไปตามกระแสของโลกนั้น มันก็จะตั้งมั่นอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ไหวไปตามกระแสของโลกอันนี้ควรคิดควรพิจารณากันการที่คนเรานะั้นนะมันพ้นทุกขไปไม่ได้กเพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจนี้เองนะปล่อยใจของตนให้ไหลไปตามกระแสของโลก อยู่อย่างนั้นตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันตายอย่างนี้เราจะให้มันพ้นทุกได้อย่างไรอ่ะนั่นเนี่ยตายไปก็ตายไปขอบเอาความทุกข์ตดตัวไปด้วยเพราะในเวลาจวนจะตายนั้นตนไม่มีกุศลความดีอะไรเป็นที่ระลึกมาแต่ก่อน ไม่มีปัญญาในที่จะมารู้เท่าสังขาร น, นามรูปเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาจวนจะตายมันจึงได้มีแต่ความทุกข์ความโศกความเศร้าหมองแห่งกิตใจเมื่อเป็นเช่นนี้ตายไปมันก็หอบเอาทุกข์ไปด้วยเนี่ยต้องคิดถึงตัวของเราในเรื่องนี้ให้มากๆ เมื่อผู้ใดมาคิดถึงตัวได้อย่างนี้นะผู้นั้นแหละก็จะขยันหมั่นเพียรฝึ ก, กจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งทำความพอใจในกุศลธรรมให้มากที่สุดเลยทีเดียวกุศลธรรมคืออะไรกุศลธรรมก็คือความดีนั่นเองนะ่ะนั่นเนี่ย ดีกายดีวาจาดีใจนะครบว่าผูใ้ใดสา ม, มารถปรับปรุงกายวาจาใจส่วนให้ดีได้ทั้งกายวาจาใจนั้นเลยเป็นกุศลธรรมไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นบันนี้เมื่อกุศลธรรมบางเกิดขึ้นในใจแล้วใจนั้นก็ไม่เศร้าโศก ไม่มัวหมองไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปกับกระแสของโลกโลกเขาลื่นเลงบันเทิงอยู่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงจิตของผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่ลื่นเลงไปตามในเมื่อคนบางพวกบางเรา เกิดความผิดหวังในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาแล้วก็ร้องไห้ลำเลน้ำตาไหลโอดโครวไปมาต่างๆสำหรับผู้รู้ทั้งหลายท่านหาเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่ผิดหวังนั่นไม่เพราะว่าธรรมดาผู้รู้เนี่ยยอมรู้จริง ก็รู้สิ่งทั้งปวงในโลกอันนี้มันไม่เที่ยงนั่นเองเนี่ยเมื่อมันไม่เที่ยงล้วจะให้มันเป็นไปตามใจหวังได้อย่างไรนั่นแหละผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้ท่านจึงไม่ต้องเสียใจเศร้าโศกกับความวิบัติพัดพลากจากของรักของชังอะไรก็แล้วแต่ละไม่ไม่ตื่นเต้นไม่หวนไหวไปตามอ่า เมื่อจิตใจไม่วันไหวไปอย่างนี้แล้วมันก็สบายสี่แบบนี้นะมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยลองพิจารณาดูคนเราแสวงหาความสุขลรวจะไปแสวงหาอย่างไงทีนี้ในเมื่อตนไม่รู้เท่าทุกข์และจะให้มันได้ประสบสุขนั่นไม่มีทางเพราะว่าสุขกับทุกข์นี่มันเป็ น, ปนคู่กันนะ อาทุกเกิดขึ้นทุกดับไปเมื่อทุกเกิดขึ้นทุกก็ดับไปอยู่อย่างนี้อชีวิตของคนเราอะ่ะมันจะเป็นทุกตลอดไปก็ไม่ใช่มันจะเป็นทุกตลอดไปก็ไม่เชิงอ่มันเกิดดับสลับกันไปอยู่อย่างนี้ทีนี้ผู้ที่มาฝึกผลจิตใจของตนให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิจเจริญปัญญา รู้ความจริงของโลกสงสารอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็ตั้งกิตเป็นกลางอยู่เนี่ยในระหว่างความสมหวังและความผิดหวังนั้นจิตใจนี่เป็นกลางอยู่เลยไม่เอียงไปข้างไหนสมหวังมาก็ไม่เพิดเพลินเจริญใจผิดหวังมาก็ไม่เศร้าใจไม่หดหูใจ ไ น, น้อยเนื้อต่มใจเพราะว่าเรื่องของโลกมันถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะไปเสียใจหรือดีใจกับมันมันก็ไม่ว่าอะไรอะไอส้สงสารสรรันิวาตอันนี้มันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ยงนั้นตามเรื่องของมันน่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจิตของท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงไม่วันไหวไปตามอ่ะ ท่านรู้กฎธรรมดาของโลกตามเป็นจริงแล้วคนผู้ไม่ได้ฝึกขนสติปัญญาให้เกิดขึ้นก็อย่างว่านั่นแหละมันก็หลงเสียใจหลงดีใจไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นมันมันไม่ใช่เสียใจดีใจเปล่าๆวันนี้นะอ่า อาไปเอามามันก็เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเมื่อมันหนาแน่นเข้าไปพอๆนะนั่นเนี่ยไอ้มันกิเลสเหล่านี้มันสายเดียวกันนะถ้าตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วมันก็นลามลามไปหายอีกตัวหนึ่งอยู่ยนั่นแหะถ้าเมื่อบุคคลไม่ละไม่ถอนมันน ะ, ะนี่ถ้าพูดถึงกิเลสเหล่านี้เนะี มันก็ไม่มีรูปร่างอะไรนะนี่แหละคนเรามันจังมงงอยู่นี่อ่าคันว่าพระแสดงธรรมอย่างนี้นะเอายกเรื่องกิเลสอย่างโน้อนอย่างนี้ขึ้นมาแล้วว่านี่เพ่งดูแลไม่มีตัวตนอะไรไม่มีรูปร่างอะไรเลยกิเลสดังกล่าวมานี่นี่เลยเพราะฉะนั้นคนไม่มีปัญญาถึงไม่รู้จักตัวของกิเลสเลย ดังนั้นน่ะพระศาสดาจึงสอนให้ทําจิตให้สงบเป็นสมาธิก่อนเลยมาเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นถึงจะมองเห็นตัวกิเลสปราประธรรมต่างๆได้มันต้องมองเห็นได้ด้วยปัญญากิเลสปราประธรรมทั้งหลายเนะ่ะแม้ธทำของจริงก็เหมือนกันน่ะมันก็ต้องเห็นได้ด้วยปัญญาอันยิง่งนี่เป็นอย่างนั้น ก็ข้อเหตุว่าคนเราเนี่ยไม่รู้ธรรมของจริงนี่แหละมันก็จึงได้มาบ่นทุกข์กันอยู่ในโลกอันนี้มันจึงได้มาเสียใจดีใจกับสังขารธรรมทั้งหลายอันเป็นของไม่เที่ยงนี่เพราะว่าเมื่อไม่เมื่อไม่รู้เท่ามันแล้วก็ปล่อยวางมันไม่ได้เมื่อยึดถือมันไว้มันก็เป็นตัวกรรมนำให้เกิดอาศัยอยู่กับสังขารร่างกาย น, นี้ล่าไปอ่อ แล้วเมื่อมาอาศัยอยู่ในของไม่เพียงอย่างนี้ละมันก็เป็นทุกข์อยู่นี่แหละต้องประครบปรงมต้องรักษาดูแลด้วยปัจจัยทั้งสี่อยู่อย่างนี้ถ้าขาดปัจจัยทั้งสีนี้แล้วก็ไปไม่รอดเลยสังขารร่างกายอันนี้ถึงแม้ว่าจะบำรุงด้วยปัจจัยทั้งสี่อยู่สักเท่าไรก็ตาม แต่มันก็เป็นอยู่ไปได้ชั่วขราวเท่านั้นเองถึงอย่างนั้นมันก็ยังวิบัติแปรปรวนไปอยู่เราจะบำรุงให้มันดีภายในก็ตามจะหาอาหารดีๆมาให้รับประทานก็ดีหาผ้านุ่งผ้าหม่มราคาแพงๆมานุ่งมาห่มก็ตามสร้างอาคารบ้านช่องให้อยู่อย่างรูหรายัางไงก็ตามแหละ ร่างกายนี่มันหาได้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้สร้างที่อยู่ที่อาศัยก็หวังว่าจะให้ร่างกายนี่มันยั่งยืนมันหาได้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้นั้นใหม่มันก็แปรปวนแตกดับเราก็เห็นกันอยู่ด่าดื่นเลยคนมีอาคารบ้านช่องอยู่ตั้งหลายชั้นนะแล้วก็ ถึงเวลาตายก็ตายกันไปเอา้าผู้ได้ยังอยู่ก็สืบแทนไปผูได้ตายแล้วแล้วไปผู้อื่นสืบแทนไปอยู่อย่างนั้นคนผู้ที่ไม่อบรมสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นนี่มันจกไม่เบื่อหน่ายในทุกทั้งหลายดังกล่าวมานี้เลยไม่เบื่อจริงๆ แถมยังชอบยังต้องมีอุปทานอยู่ในใจซ้าบางคนบางพวกเนี่ยอ่าเอ า, เ, อาเราสร้างไว้นี่แหละทำไว้เมื่อเราตายไปลูกของเราได้อยู่อาศัยบางทีเราก็อาจจะมาเกิดกับลูกอามาอาศัยอยู่กับอาคารบ้านช่องเหล่านี้อีกต่อไปนี่มันมันย่อมมีเนี่ย คนผู้ที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นจิตใจมันย่อมผูกพันอยู่กับสิ่งที่ตนพออกพอใจนะ น, นะเพราะว่าสร้างอาคารบ้านช่องขึ้นอย่างถาวนมั่นคงโอทงมีเฟอร์นิเจอร์สิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้เยอะแยะแบบนี้ติดแล้วจิตใจเมื่อได้สัมผัสกับสิ่ง โอถงอะไรเทอะไรอย่างว่านั่นนะ่ะติดแล้ววะนี่พอใจแล้วถ้ามื่มันติดมากๆเข้าอย่างนั้นแล้วมันก็เอาแล้วนึกว่าเอาตายไปขอให้ได้มาเกิดกับลูกกับหลานอีกได้มาอาศัยมันอีกนี่มันน่าเป็นไปได้จริงๆพระจิตใจของคนเราเนี่ยอ่ก็เพราะฉะนั้นแหละเช่นอย่างอัน นักบวชเนี่ยเกจอาจารย์ท่านจึงได้วางระเบียบไว้สวดมนต์ไหว้พระอะไรต้องให้ต้องสวดอภินาหะปัจเจกคณะหรือต้องต้องสวดไอ้ตังคณิกาปัจเจกสวดอัชฉรยาหรือปฏิสังขารโย ο, หรือว่ายะถาปัเจยังหมู่นี้นะ ให้พิดเจรณาให้เห็นปัจจัยสี่อาหารก็ดีผ้านุ่งผาห่มก็ดีที่อยู่ที่อาศัยก็ดีหยุกยาแก้โรคใครค่เจ็บก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นแต่เพียงสภาวธาตุไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของวิเศษวิโสอะไรก็เป็นแต่เพียงอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองปัจจัยทั้งสี่นี้ ทรงสอนให้พิจารณาทุกวันทุกวันนะก็เพื่ออะไรนะเพื่อไม่ให้จิตมันติดมันคล้องนั่นเองนะถึงแม้ว่าจะได้อยู่อาศัยเสยนาสนะหรือที่อยู่ที่อาศัยอันมั่นคงโอทองสวยงามอย่างไรก็ดีถ้าได้พิจารณาให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่ติด มันก็ไม่คลองจิตใจนั่นนะ่ะมันเป็นอย่างนี้อันข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามันเป็นทางออกจากทุกข์นั่นนะ่ะถ้าหากว่าบุคคลมาปฏิบัติถูกต้องแล้วนะไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องลึกเรื่องขำจนว่ามองไม่เห็นเลยไอ้เรื่องข้อวัดปฏิบัติอุ บ, บายถอนจิตเพื่อให้ละไอ้ถอนอุปาทานต่างๆวันนี้นะ มันก็อยู่ตามหมนีนนะเอออย่าไปข้ามกายอย่าไปข้ามกายเมื่อเรารับประทานอาหารอย่างนี้นะก็ต้องพิจารณาอาหารนั้นให้มันรู้เท่าอาหารนั้นาอาหารจะมีรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็ช่างก็ก็ทักแต่ว่าอย่างนั้นนยะไม่ใช่เป็นสิ่งวิเศษวิโสอะไรรเพียงแต่ว่า พอบำรุงร่างกายนี้ให้เป็นอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นของวิเศษวิโสอะไรอ่ะถ้าหากว่าไม่รับประทานอย่างนี้ร่างกายอันนี้ก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ก็จะไม่ได้ประกอบกุศลคุณงามความดีอะไรต่อไปเลยเราก็พี่ณาลงไปในเชิงว่าจิตมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อรสชาติของอาหารนั่นแล้วก็เป็นอันว่า การบริโภคอาหารมันก็ไม่มีโทษไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาอะไรผ้านุ่งผ้าห่มก็เหมือนกันที่อยู่ที่อาศัยเหมือนกันเนี่ยอือยู่ยาแค่โครคไข้ไข้เจ็บเราต้องพิจารณาเสมอเสมอที่น้าว่าเราเราเพียงแค่อาศัยอยู่ทั่วข่าวเท่านั้นนะปัจจัยทั้งสี่นี้ยไม่ใช่ว่าเราจะ ไ, ได้อาศัยมันอย่างนี้ตลอดไปหาม่ได้เพราะร่างกายอันนี้ถึงจะบำรุง ด้วยปัจาัยทั้งสี่นี่อย่างวิเศษวิสโสอย่างไรมันก็ไม่ยังย่งยืนอยู่นั้นนะเราก็ต้องภาวนาต้องพิจารณาให้มันเห็นตามสภาพความจริงอยู่อย่างนี้เช่นนี้แล้วมันก็ไม่หลงแล้ววันนี้นะไม่ติดอยู่ในปัจจัยทั้งสี่นี้เมื่อมันไม่ติดอยู่ในปัจจัยทั้งสี่นี้แล้วมันก็พิจารณาลงไปในอัตภาพร่างกายนี้มันก็เหมือนกันแหละกับปัจจัยภายนอกนั่นนะ มันไม่แตกต่างกันเลยเพราะว่าร่างกายอันนี้มันก็เป็นอยู่ด้วยอาหารเมื่ออาหารมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วร่างกายนี้มันจะเที่ยงยั่งยืนได้อย่างไรอะ่ะนี่มันก็มันก็ทำเป็นเหตุให้ได้ไ ด, ได้เกิดความรู้ความเห็นเข้าไปสู่ร่างกายเป็นเหตุให้ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นของเที่ยงของยั่งยืน เป็นของสวยของนามมันก็มันก็ถอนความยึดถือเหล่านี้ได้เมื่อบุคคลมาถอนอุปทานความยึดถืออย่างนี้ได้มันก็ไม่เพิดไม่เพลินไม่หลงไม่เมานี่อา น, นิสงส์ที่จะได้รับอั น, นี้อันบุคคลผู้หลงผู้เมาผู้เพิดเพลินลืมเนื้อลืมตัวอยู่นั่น มันลวนตั้งแต่ไม่ได้พิจารณาปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในดังกล่าวมานี่แหละไม่ได้พิจารณาให้เห็นตามสาภาพความจริง่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันถึงได้หลงถึงได้เมาถึงได้ยึดได้ถือสิอ่งทั้งพวงนั้นว่าเป็นของเขาเป็นของเราอยู่อย่างนั้นเรื่อยไป เมื่อมันยึดถือหนักๆเข้าอย่างนี้มันก็ใช้กายวาจานี่ไปทำชั่วเลยไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกรรมไปกล่าวูุสาวอืรโกหกขบลมต่างๆอว่านี้ไปดื่มเหล้าเมาสุรากรันตายาฝินเฮโร อ, อีนเข้าไป นี่เมื่อใจนี่มันยึดถือไอ้ขันทั้งห้าอันนี้มากมากเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นอกุศลจิตขึ้นมาเลยอเป็นอย่างนั้นแหละไอ้เรื่องราวของกิเลสมันถัเป็นอย่างนี้นี้อ่ลักษณะอาการของมันมันถักเป็นอย่างนี้เมื่อจิตของใครสะสมมันมากเข้าไปแล้วมันก็ทำพิษอย่างรุนแรงนะถ้ายึดมันแต่น้อยพิษมันก็น้อยลง อย่างนี้แหละถ้ายึดมันมากเท่าไรพิษมันก็มากขึ้นเท่านั้นมันก็ถึงกับได้ไปทำบาป ท, ทำกรรมทำเวรใส่ตัวเองและผู้อื่นไม่รู้จะจบจากทิ้นอนี่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะรู้ได้นะถ้าเมื่อเราพิจารณาตีแผ่ออกสู่กันฟังอย่างนี้แล้ว มันก็พอที่จะเห็นได้ทั้งนั้นเลยสํำหรับผู้ตั้งใจพิาจารณาจริงตั้งใจฟังแท้ๆนะเพราะมันมีอยู่ในกายนี่หมดนี่อะไรอะไรก็ดีความไม่เที่ยงมันก็มีอยู่ในนี่ความเป็นทุกข์ทนได้ยากลาบากอะไรมันก็มีอยู่ในนี่นี่ความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรมันก็มีอยู่ในนี้ให้ให้จิตนี้ได้ดูได้รู้ได้เห็นอยู่เนี้ย แต่ว่าจิตของบุคคลผู้ประมาทแล้วนะมันนักไม่ชอบรู้ไม่ชอบเพ่งอข้ อ, ขอสําคัญมันอยู่ตรงนี้เรื่องมันนะถ้าหาว่าภาคเตียนพยายามเพ่งพินิษอยู่เสมอเสมอแล้วใครจะไม่รู้ความจริงของเรื่องร่างกายขันทางหน้านี้ไม่มีแล้วรู้ได้ทั้งนั้นเลยที่มันรู้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ภาคเตียนพยายามเพ่งพินิษ มัวประมาทส่งแต่จิตไปทางอื่นนู่นทรงแต่จิตไปคล่องอยู่ภายนอกนู่นเอเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่จะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักความจริงของชีวิตตามเป็นจริงนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมนี่จึงหนักไปในทางแนะนําให้ผู้ฟังทั้งหลายนั่นตื่นตัวกัน โน้มสติสัมปชัญญะเข้ามาสู่กายสู่จิตอันนี้พาเพียรพยายามโน้มบางคนก็ว่านโน้มเข้าไปแล้วมันไม่อยู่จิตมันไม่ยอมสงบเลยตัวก็ตนเองไม่เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะสงบได้ยังไงอ่ะตนเองพอใจคิดพอใจปรุงแต่งไปในเรื่องสัเพเห่ระอะไรหมดนละ้วนะ เมื่อมันยังพอใจอยู่นี่แล้วเราจะมาโน้มใจนี่ลงให้มันสงบไม่ไม่ให้มันพุ่งไปตามทางของมันนะมันมันไม่ยอมหรอกเออมันจะยอมยังไงเล่าท่านอุปมาไวเหมือนกับวัวควายที่มันไปลงกินข้าวในนาของคนเนี่ยมันมันเคยลงไปกินข้าวนาไร่ไหน ทางไหนวันต่อไปมันก็เดินดุ่มๆไปทางนั้นแหละไปหากินทางเก่าของมันนั่นแหละมันเป็นเช่นนั้นอันจิตใจของคนเรานี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อมันเคยยึดถือสิ่งใดเคยพอใจในสิ่งใดมาแล้ว ถึงแม้มันจะปล่อยวางไปได้ชั่วระยะหนึ่งแต่ภายหลังเมื่อมันนึกขึ้นมาได้มันก็คิดพุ่งไปหาเรื่องนั้นแหละซึ่งมันเคยพอใจชอบใจกับเรื่องนั้นมาเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นทางที่มันจะส ง, งบประงับจากเรื่องเช่นว่านี้ได้ก็เพราะว่ามาเตือนจิตของตน้ให้เห็นโทษแห่งความยึดถือเหล่านั้นว่ามันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษ มันไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกหนีแต่ทุกหนักเข้าไปเรื่อยอ ย, ยึดถือหนักมากเข้าไปเท่าไดทุกมันก็หนักเข้าไปเท่านั้นก็เตือนตนเข้าไปบ่อยๆอย่างนี้ยเอจนว่าจิตมันเห็นโทษของความยึดถือเหล่านั้นได้อย่างนี้นั่นแหละจึงมาเพียนไม่ยามกําหนดละมันก็ละไปได้แบบนี้นะเพราะมันเบื่อแล้วนี่ มันเบื่อความยึดความถือนะมันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษจริงๆอย่างนี้นะมันต้องการอยากละแล้ววะนี้คิดอ่ะเมื่อมันต้องการอย่างนั้นน่ะมันกําหนดละลงไปมันก็ละลงไปได้อ่าอารมณ์ทิฏฐินั่นมันก็ดับไปสัญญาอย่างนั้นมันก็ดับไปได้เพราะใจเบื่อมันไม่ยึดถือมันแล้วมันติตั้งอยู่ได้ยังไงอารมณ์ทั้งหลายนะมันตั้งอยู่ไม่ได้เลย ที่มันตั้งอยู่ในจิตได้เพราะจิตยึดถืออมันพอใจกับมันให้พึ่งเข้าใจดังนั้นทำอย่างไรเราจะเบื่อมันจะเห็นโทษมันก็เตือนตนเข้าพยายามเตือนตนเข้าภากเตียพยายามเข้าไปอย่าไปเห็นเกรลับเกนอนถ้าใครไปเห็นเกรลับเกนอนแล้วก็ไม่มีทางนะ่ะที่มันจะละกิเลสละความยึดความถือในขันห้านี้ได้ไม่มีทาง เพราะว่าเมื่อ น, นอนนองมากแล้วมันไม่มีปัญญาอะไรนี่จิตใจมันมืดมนแล้วมันทึุกไปหมดเลย อ, เ อ, อ่มันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้นะได้พูดถึงเรื่องความยึดถือขอให้พากันจำไว้้ใหพยายามภาคเพียนพยายามสอนใจตัวเองให้ละความยึดความถือต่างๆให้มันได้ ใจนี่นะอาศัยปัญญาสอนมันจึงค่อยได้นี่เข้าใจพระพุทธเจ้ายัางสัจว่าเมื่อเราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วนะปัญญาเนี่ยกลับมาสอนจิตแบบ น, นี้นะอ่าปัญญามาสอนจิตแล้วสอนจิตจิตสังเกตเห็นจิตที่มันยึดถือสิ่งใดมันยังไม่ยอมปล่อยยอมวางสิ่งใดแล้วก็หาอุบายมาสอนตัวเองเข้าไป การยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันมีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นมันมีทุกข์อย่างนั้ น, นอย่างนั้ น, อ ย, น, นอย่างนี้นะนี่เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปอุบายที่สอนนันมันถูกต้องแล้วมันเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายจริงๆอย่างนี้มันก็จิตนี่มันก็เบื่อหน่ายจริงเนี่ยตามปัญญาที่แนะนำนั่นแหละเบื่อหน่ายเมื่อเมื่อใดมันก็คลายความยึดความถือ อันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติอันเรียกว่าแบบรวบรัดเอาเลยอ่ะรวบรัดตัดตอนไปเลยแต่ความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นแทะนับตั้งแต่เริ่มแต่ข้อปฏิบัติต้นๆนั่นมาอล้วนแต่เป็นอุบายกําจัดความยึดถือนี่ทั้งนั้นเลยเช่นอย่างให้ทานอย่างนี้นะมันก็เป็นอุบายกําจัดความยึดถือในความโลภความตณี ให้ออกไปจากจิตใจอย่างนี้นะรักษาศีลอย่างนี้มันก็เป็นอุบายกาจัดความโกรธความพมตตาบาตออกไปไม่ให้จิตมันยึดมั่นอยู่ในความโกรธความเมาตาอืตภาวนาเนี่ก็เป็นอุบายกาจัดความหลงไม่ให้จิตพอใจในความหลงความเมาเหล่านั้นนะอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าข้อปฏิบัติทั้งหลายในพุทธศาสนานี่นะ ยึงชื่อว่าเป็นอุบายเพื่อให้ละเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นเริ่มแต่ยึดมั่นในทางบาปอกุศล น, นี่แหละไปตลอดถึงไปยึดมั่นในธาตุสี่ขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยให้มันค่อยหมดไปหมดไปจา ก, ก จ, จิตใจดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้